ก็มีเท่านี้หละเพราะเราที่อยู่ด้วยกันพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเีกว่ากันรยนนมิตก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจพวกเรานะเกิดสุดท้ายเพลังสามพันสี่ันปียังได้งลดกจากคนโล่ำบลานมา จะน้อยาสวดเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพุทธวจนะมาสาธยายเข้าถึงกายวจายใจของเราได้นาโมทนาพระอานนท์ เป็นพระหูสูตรยิ่งใหญ่สามารถจำสัจจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดพระมหากัจจปะเถระก็ช่างเฉลียวฉลาดได้สังคายนาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ได้น้บนพระ <c oughs> เหตุละที่รูปที่เห็นการแสดงที่ได้ยินการแสดงทาออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าสั่งสอนที่ใดบ้างเรียกว่าสูตรต่างๆก็มีหลายรูปแต่ว่ า, อานอนในเจงกว่า จำแม่นได้ดีเพราะพระพุทธเจ้าเลือกพุทธอุปถากพระสง์เสนอให้มีพระอุปถากพระพุทธเจ้าพระสงค์ทางปวงก็เสนอพระอานนุ์เป็นผู้ที่อุปถากตกลงมีมติให้อานนา์ผู้ติดตามพระพุทธเจ้าก็ดูแล อนุนก็ <c oughs> ขอพรจากพระพุทธเจ้าเลยว่าถ้าจะให้เป็นผู้ที่อุปถากพระเจ้าขอพรจากพระองค์หลายข้อจํะมาคกก่อยได้ <c oughs> ออาย่างน้อยก็กว่าถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงทำที่ใดให้ข้าพระพุทธองค์ห้าข้าพุทธเจ้าติดตามไปด้วย พระเจ้าก็ถามว่าเธอประสงค์อะไรหมายก็ว่าถ้าผู้อยู่ใกล้คิดกับพระองค์เมื่อมีผู้ถามว่าพระองค์สอนทำอะไรที่ไหนถ้าบอกไปได้ก็เขาจะตดกินนันทาเอาเหลือแต่เป็นผูต้ตระลาไม่รู้ไม่ขี้อะไรเลย พระเจ้าก็เาสาธุก็สงฆ์นักบวงก็สาธุเพราะว่ า, วาอีกข้อนึ่งว่าถ้าตาติดตามพุทธประทักษของพระองค์แล้วขออย่าได้ประทานกี่บอลบาทบินทะบาทที่เป็นของฟานี่แจ่ฆ่าพระเจ้าเลยพระเจ้าก็ถามว่าทําไมยังขออย่างนี้ คนเขาจะติขิน้นทาว่าเป็นผู้บัญชาเพื่อรับจ้างเอาของรอบสั ก, กระละจากองพระสงฆ์ต้องฟักงกศาธุพระเจ้าก็สาธุเพราะอยาให้จีบอลอะไรทั้งหมดไปฟัะมันละอะไรจะมาอะไทั้งสิบขวาขอ้อ <laughs> ไปไปดูนะในตำล่า อัจจะ ไ, ได้จำเลยมันชี้เหยียดจำจากน้อยพระสูตรที่เรามาสวดธรรมวัตเนี่ยเวลาพระผากระจะปะสำสังไนนาขั้งแรกมีพระสงฆ์อุปการชีบกบวดเมื่อแก่เหมือนพวกเราแหละหลวงพ่อ ก, กรมเนาะช่วงจ็บพระท ำ, ำไม่ได้แต่ไมนั่นนะพระบุติองค์ปรีพาน ที่กุศลาล่าหมู่พระมหากษปะอยู่ไกลมาไม่ทันจะมีเรื่องว่าแต่วายพระเพิงไม่ลุกไม่ติดต้องรอพระมหากระะมาถึงก่อนพระมหา ก, กระจะก็พาหมูสองมาเดินทางมาภิกษุสุภะทะปริพาชกปวดเมืเ่อยเดินสวนทางมาถามว่าท่านมาจากไหน มาจากกุจิราลาโอ้แตทราบว่าูตรตองค์ปฏิพันฑ์แล้วใช่หรือก็ใช่พิสูุทั้งหลายก็ผู้เป็นปุตุชนก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจจังวางไม่ได้เอิญพระมหาการะก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ง้ามพระทั้งหลายทำใจทำใจ ีิสุปริพาชก อ, องนั้น mm hmm. ก็่อยพูดขึ้นว่าท่านจะไปลองให้ทำไม mm hmm. ดีแล้วพระอภิเษเจ้าปริพาน mm hmm. จะไม่มีใครดุใครด่าเราอีกเราจะอยู่อย่างสบาย mm hmm. ใช่ไหมอย่ <laughs> มีใครมาดูดมาด่าเ mm hmm. ตือน น, น, นนุ่นเตือนนี่ลํำคาญเหลือเกิน mm hmm. เมื่อพระองค์ยังอยู่ mm hmm. พระองค์ปริพานไปแล้วก็ดี mm hmm. อ่าก็าบาก ตกอกตัวองโอ้ยเศร้าใจประเดี๋ยวนี้ผานยังไม่ถึงเกยียรตวันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาในหมู่สงฆ์ก็คิดขึ้นว่าโอ้ทําไมเนอทําไม่ได้คาสอนพระเจ้านี่เห็นไปคนละทิศละทางแล้วคำสอนเนี่ยอากที่เราสวดบุญกี้เนี่ยนิหะนิฆหังอนัอ น, นทบุคคมิประไวหะประวหางอนั น, นทบุคคมิเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่ไปหยุด เราจะขนาบแล้วขนาดเบียกไม่มีหยุดอนนนเอยผู้ใดมีเกณฑ์สารมักผลนิพพานเจงทนอยู่ได้เธอควรคบบุกนิธิลังวัตประวตนางยักษ์ปเจวัฒน์ชินังนิขะวาทิงเมธาเวงตาทิสังมณิถังพระเจเมื่อเธอคบบุคคลที่เป็นเช่นนั้นย่อมมีเจดีฝ่าเดียวไม่มีโลเลยพระเจ้าพูดกับอนนนอนอนอนก็จํามาทําให้เราสวดพิธีเลยใช่ไหม นี่คัดนับแล้วคัดนับอีกบางองไม่ชอบใช่ไหมจู่ยี่โกเกะกันไปหลวงพ่อกรมเนี่ยน <c oughs> เนาะเวลาเทียดจะอย่า <c oughs> ว่าไปกันไปแล้ว <c oughs> ว่าช้าชอย่าเหมือนกับบน่นอย่าเหมือนกับด่าเขาเขาจะหาว่าเราด่าเขาผมทว่านหลวงพ่อกรมเวลาเทียดไหลออกมาพูดได้มันไม่ทันน ะ, ะบางทีพูดไปเกินไปไม่เอาเลยหลวงตากันเขียนพูดมั่วออกไปเลย <c oughs> บางทมีมันพูดให้มันไม่ทันมันไหลออกมามากมันน้ํา ม, มันอั้นไว้มันเปิดไม่ทันท่วมไปเลยบางทีรัวไปเลยแล้ว น, น้ําท่วมวัดสุกุตัวเราไปห้าศูนยเนาะหลากไปเลยท่วมเก้าของลงทานเสียหายหมดอันนี้พวกเรานอนเราสบายเวลาฝนตกเนาะแต่ก่อนนี้เวลาฝนตกทีใดเนี่ยโอ้ยลงทานเป็นไงเนอะหลงเขากน็นอนเฉด ว่านนี้คงจะทั่วหมดแล้วพวกเราเอาชีผู้วาจิกาทั้งหลายต้องครีครจอเจ็บข้าวเจ้าของเป็นวันวันเลยข้าวสารเป็นสิบกระสอบน้ำทั่วหมดเลยต้องไปเจกจ่ายใช้ว่านะมันท่วมไปอันนี้ก็เหมือนกันการพูดธรรมะพูดใบใบใช่เสียงไม่สุภาพ ฟังเสียงตัวเองจังหวะาจากโกนลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดตอนจะต้องทำไปตามลำดับขององค์ธรรมกติกไม่มีอคติใดๆเป็นกลางอันนี้คือแสดงธรรมพระสุปทธะปริภาชกฟังไม่เข้าใจหาว่าพระเจ้าดา่าก็ไม่ขี้โทษนะครับ ไม่ชอบก็เลยพูดคำนี้ออกมาได้มากรจะปะโอ้ก็ไม่ได้แล้วทำไห้ได้ของเราในคำสั่งสอนพระเจ้าเห็นแต่แคกไปอย่างนี้จะทำไงเนอะจะอยู่ได้หรือสัจธรรมคำสอนเมื่อ <c oughs> ถ้าไว้เพื่อเพลิงแล้วไปชุมสงทันทีไปทำสังไครนาร้อยกองขึ้นมาขาดไม่ได้คือพระอานนท์ พระอนุนยังไม่เป็นพระหลนเลยพูดที่สำเฉิงขยนานี้พระสงฆ์สมัยนั้นกี่รูปหลวงพ่อกรมจำได้ไหมนะผมจำไปร้อยห้ารอยรูปเละอยู่ท่ำตตบันโคหาอยู่ท่ำมาอะไตะ ต, ตบันกาอยู่ที่เขาชีกุดนั่นแหละหละวงพ่อก็ไปดูอยู่ ไม่มีสาราใหญ่หมันบ้านเหมือนเราทุกวันนี้หรอกสมัยก่อนใหญ่ที่สุดคือถ้ำประชมสองห้ารอยพระมหาการปะเป็นประมุขเป็นประธานสงฆ์เป็นอัฐพระเทระขาดไปได้คือพรอาอนุเพราะพระอนุนจาได้แต่ว่ายังไม่เป็นพระเสขาบุคคลอาเสขาบุคคลเป็นไม่เป็นพระหลาน เข้าสังคนาไม่ได้ไม่จัดเกณฑ์พระสงฆ์ต้องปวงก็เลยให้อานอ์ปฏิบัติทมให้เป็นพระหลานก่อนถ้าไม่เช่นนั้นสําขังงานมาแต่ขาดไม่ได้อารอ์ก็ถูกสงส่งให้ทำงานกรรมฐานขึ้นมาอารอ์ก็เอาแล้ววัน จนพระอุปถากพระเจ้าจนพระเจ้าปริพานจะไม่เป็นพลันกับเขาเลยตอนที่ปลิพานไปใหม่ๆผู้เจ้าองปลิพานไปใหม่หมล้องให้นะอา น, นนะ์อยู่เขตตะวันเนี่ยบางทีญาติยอมสองสารสงสารเห็นอนอน์เวลาบ่ายสามบ่ายสีไปอยู่คันตกุติของพระเจ้า ไปเช็ดไปถูไปอุปถัมภากูอสัสนะไปบูชาไปกราบไปไหว้ตักน้ำจากบ่อขึ้นไปให้พระพุทธเจ้าสงฆ์ทุกวันอานุ์ไม่มีพทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นทาเหมือนเดิมตักน้ำขึ้นไปก็แต่พระองค์พูดเจริญในบนบาสองน้ำพูดอยู่คนเดียวเหมือนบ้าใช่ไหม นัมืนบ้าเลยนะเอาชาวบ้านแถวเขตตะวันสาวัตถีมาเห็นเดินทางโอ้ยตาสงสารอานนท์เราให้ทุกวันเพราะอานนท์ก็เป็นลูกน้องชายของสุตโธธนะเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องกันนะใช่ไหมสุตโธธนะสุโกโธนะอามิโตธนะคดีโตธนะสองสามสี่คนนะ แต่ว่าอรุทธเป็นลูกของสุโธตระโกโธตระนะอารมอรุทธะนะอานนท์เป็นลูกของน้องพระเจ้าสุโธตะอันนั้นก็จะไปถือสาจาผิดๆถูกๆอันนั้นไม่ต้องโูดกันละแต่ว่าบางพูดเรื่องเนี้ยนั่ธรรมะ เออพระนนก็โทรเพื yeah, no one, two, one. ่อนบังคำเป็นกรรมฐานอะไรแบบหนึ่งวันสองวันคนมีความรู้นะอนุนเน่ะพระสูตรต่างๆจำได้หมดเลยพระสงฆ์ทั้งปวงกรรมฐามพระหลานทั้งหลายเป็นไงอนุนนะพอพูดตั้งหน่อยได้ไหมเพื่อจำช่วยกันไม่ต้องอ่านเมื่อไหร่ก็โดก แต่หลังตาจำมาผีผีปัดพลาด น, นะอ่าแล้วเราก็เอาคนมีปัญญาคนมีความรู้นะเหมือนพวกเรามีความรู้มานไะงไม่ใช่งโง่ที่ไหปัญญาชนดังนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนอนุบาล น, นะต่อยอดไปเลยแล้วเรก็อ๋อร้ อ, อ, อ, อยเช่นน้อยร้อยเช่นน้อยอมันคือมันใหญ่เหมือนเราทํางานมันใกล้จะเสจบแล้วนะ มือนหลงตาล่องกําแพงไหนโผไว้โผล่โอ้ใกล้จะเสร็จแล้วอ้อยสักหน่อยก็เสร็จละพอดีจันตุ้มมาช่วยเช็ดเลยทันติกำหนดได้เหมือนเราทํานาเกี่ยวเข้าปักดํานามีคนถามว่าไกล้เสร็จหรือยังอ้าอีกสองวเจมันกําหนดได้หล้นล้นก็พูดดอกมาเลยว่าใกล้แล้วกล้แล้วเมื่อมันใกล้เท่าไรกูเล่งเข้าไปเล่งงานกันไป หลวตาไถนาะกนเลิกงานจนตีต้องชายมันไม่เลื่องด้วยมันมาเลี่ยงขวายากันเลื่องเหมือนก็นรองชายไมวเวายปินี้ตกเพราะรองชายล้มลงไปเลยโอ้ยเสียใจท่าตัวเนี่ยนใะนที่สุดพระสงฆ์ก็มาถามเหมือนพวกเราถามกันเวลาปัดบัดเป็นยังไงบางกันก็เออดีบงกงคนก็โอ้ห้องนอนโอบ้บางคนก็คิดมาก ก็ามาสอนกันแบบเนมเป็นเพื่อนกันจนว่าอานอนนเห็นกระแสแห่งภายในผ่านต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเอาล ะ, ะไม่หลับไม่นอนเลยจนแสงเงินแสงทองขึ้นโอ้ยเราทำความเพียรไม่นอนเลยขอเงียบสักหน่อยก่อนนะ พอมีสติฮจะนอนเลยเงียบสักหน่อยพักผ่อนสักหน่อยแต่ว่าใจมันไม่ไม่ขี้เกียจนะเอนหลังลงหัว ย, ยังไม่ถึงหมอนหนระรุธรรมนั่นดีอรรลุธรรมนี่คนเีนปัญญานะพระอนอนได้มักผนอพผานอยู่ในเอลิบทใดบางทีมีคำถามในเวลาเราเรียนนักธรรมะ ปัญหามหาถามพวกเรากันดักเดียนพระอานุนได้นิพพานอยู่ในอริวัตใดบางทีพระเจ้าถึงปนิพพานได้ในบทอริวัตดังอยู่ใต้ต้นเสมาโพเราลูปนี่ลูบปณิพพานรูปบ ร, ริต่างๆรูปพระพุทธเจ้าน่ยแสดงถึงปางต่างๆลักษณะต่างๆ อนอนก็นอยู่เพราะใช้ตอบว่า ง, ง, งอ่ะขีน้อยอนอนเล่นพันอยู่ในอิริบฏใดอ่ะยังไม่ได้นอนจะว่าอริบทนอนได้หรือม่อไม่ถึงมอนเลยจะว่าอริบทนั่งได้เลยเอนตัวลงไปแล้วฮะไม่มีอริบฏเลนนนุมได้มรรคผลนิพพานไม่มีอริบฏใดเลยพรนะโสดา โกดีวิตะอยู่ในอิบทเดินจงกรมไหนลูกนะานั่นเนี่ยนี่เรื่องเป็นมาเนี่ยอานอนก็เข้าประชุมสังขนาได้เลยเวลาพระมหากษัะเป็นประธานถามพระพุทธเจ้าแสดงที่นั่นเรื่องอะไรว่าอะไรมีใครเข้าใจบรรลุทั้งบ้าง อ้อนตอบได้หมดเลยตอบได้หมดเลยชัดบาลีาาบ้างนุทบ้างโมกขลานบ้างสารีบทบ้างสวนากวิตาบาบไไะบ้านะงจำไม่ได้ก็นะจึงจาได้หมดเลยจึงเป็นพระโหสูตรเรื่องนี้นนท์แม่นจริงๆ จ, จึงมาสวดกันทวนน่ มันวิเศษจริงๆนะการสวดทำมนสวดมนไหวพ้พระทำอะไรต่างๆพระสูตรต่างๆแปด0 0นสะี่พันเรื่องอยู่ในหนังสือถ้าเป็นบาลีสี่สิบเล่มสี่าเล่มถ้าเป็นภาษาไทยกับแปดสิบเล่มคนโบราณขนาดไหนเราจะว่าเราดีอะไรฮะ เป็นผงทุดีนิดนอยอยู่ในฝ่าพระบาทของพระเราว่หาหันสมมก่อนเราอยู่แค่นี้ก็ว่าเราดีเลยหมดเลยหมดสภาพเลยเราจึงไม่ไม่มีทิฏฐิบาณะใดๆนอไม่ได้ใจเสมอในสภาพความมืดสุของเรานะถ้าเรามาสวดตอนเ น, นี่ยมีเตของถูกต้อง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 นอนที่สุดเลยรูปไม่เที่ยงเอวังพาหุหลังสาววิเจษเวนติคําจังสอนของสองเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นไปนาสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจําเนืก อ, อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงถูกไหมแล้วเคยมีตัวเป็นตอนอยู่นความไม่เที่ยงนี่<ม>กี่ขั้งกี่หน เป็นทุกภพภวมายเที่ยงเป็นสุภพภวมายเที่ยงมีไหมเรานั่งอยู่นี้อ่ะมีไหมไม่มีมันยกแมก้นมาทำไมเราหลงไปเจยๆเนี่ยมันขนาดเนี่ยคาสอนเนี่ยเราจึงมีอ <c oughs> อรดกแล้วอันเป็นคําสอนเนี่ยศาสนธรรมเนี่ยแน่นอนที่สุดสาศาสนะพิธี โดยเฉพาะสาสัจพิธีเนี่ยมาบรรจุทีหลังจะมาประมาณสองพันละร้อยเก้าสิบแปดสิบ้าแปดสิบแปดสิบเก้าเก้าสิบเนี่ยมาบรรจุรสาแัจพิธีลงไปในการศึกษาเป็นหลักสูตรของการศึกษาของสงไทยต๊ะหมู่บูชาก็มีประมาณนี้สองพันห้าสี่ร้อยเก้าสิบเนี่ยสร้างตกหมู่บูชาขึ้นมา การีวิธีกราบาอวสถานาชินและธรรมบรรจุงลงไปให้เป็นรูปแบบอันเดียวกันก็ชนะวัตถุต่างกันต่างกันเช่นพระพุทธรูปบางบางเชียงแสนอย่างพระพุทธรูปที่อยู่เนี่ยทับอยู่วัดเราเนี่ยเรียกบางเชียงแสนบางสุขโขไทยต้นต้ น, ตนบางอายุทยาบาง รัชกาโกศินต่างกันในลักษณะของบางนี่เยว่ามานวิชัยถ้าสมัยรัตกาโกสินก็สมัยหนึ่งอีกต่างหากในรูปแบบต่างหากวีมือของสงไทยสมัยโบราณสารทวทัตถุที่เป็นอติยาลาไปดูได้ลอยมือของคมโบราณเป็นหลายพันปีอย่างทั้งมัจันตา เป็นของพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์ฝ่ายพุทธศาสนาอินเดีย่ากันทรรมขึ้นมาแล้วสงฆ์สมัยนั้นก็แยกออกเป็นสองสองนิกายเรียกว่าเถรวาสกับมหายานมายานเป็นพระกลุ่มเดิมที่ไม่ไม่ได้มาร่วมสังฆนานาด้วยก็เลยมาไม่ทัน ว่าพระพิกิสุสองอ่งเอกหมู่ที่สาคัญสังขัยนานั้นก็บอกกล่าวให้ฟังว่าเออจเจ้าก็ได้จะไม่เอาก็ได้ก็แตกกันเป็นสองในกายเรียกว่ามหาญานมหายานนี่ก็ยังจับต้องการเย็นจับอะไรอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนั่งบนั่งฉันด้วยกันได้กินข้าวโมเย็นได้อาจยา์แต่ว่าเขาก็<ๆ>ก็ดีนะจรยงนะอย่างเขาสร้าง สรองอ่าโบลุมพุทโถเนี่ยอินโดนีเซยียไปดูดิมาหาญาน่นั่นเข้มแข็งเขาเจ๋งจริงนนนเนี่ยพิกฌานีเนี่ยหลวงตาก็ไปอยู่ไต้หวันอยู่กับนิวยอร์กอยูกับพุทธจุลนีฝ่ายมาหาญาณไอสงฆ์เขาก็เจ๋งนะอ่าแล้วันเสาร์วันที่เนี่ยทุกคนเอีพระสงฆ์ุลกพิกฌนีทุลุบ ไม่ใช่เดินทําะ่ะวิ่งเอาต้อนรับญาติโยมญาติโยมเขาเจ๋งบริการดูแลวัดว่าล้ามเจ๋งเวลาพระอายุแปดสิบปีอย่างหลวงตาหลวงพ่อก่ะเขาปลดกเกษียณให้ไม่ให้เป็นผู้นำเขาสร้างบ้านให้อยู่มีคนดูแลอุปถากหลวงตาเจ้าวาดที่หลวงตาไปอยู่ด้วยนะอายุแปดสิบปี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 แต่เสร็แล้วว่าเอามหายานเขาทำได้หอปีกกันมาทำอาหารการฉันดูแลเจ้าชาวัดของคณะกรรมาการวัดน่ะสร้างบ้านให้เอาคนมีอายุอย่างยมที่มาอยู่ด้วยกันน่ะให้มาอยู่นี่มีแปดสิบหลังบ้านคนแก่วาจกอยู่บนที่หนังวาจิกาอยู่ตรงหนัง แต่ว่าพระหลวงตาที่ปกเสียนไปก็อยู่ในบ้านอยู่เขาเล่ายี่วัดวารามบริหารการวัดเนี่ยญาติโยมทั้งนั้นเวลาวันเสาร์อาทิตย์เอาคนหนังสือมาตั้งไว้กองไว้คนมาวัดพระสงฆ์พิชจนีเรียกอาหารญาติโยมโตอาหาร น, นี่เรียบร้อยพิชจนีจะมีน้ำยาเช็ดโตกระดาษเชชู่ถืออยู่ในมือตลอด เวลายายามาจานข้าวเจ็ดเตียนข้าวเจ็จพิจุณีพระจงรีบเก็บกวดเอาผ้าน้ำยาล้างโตเช็ดเอเอาไปที่ยงไทยทั้งขยะเจ็ดวันในรดหนึ่งทั้งขยะชามเขาก็เป็นกระดาษใช่ไหมช้อนก็เป็นกระดาษมีดก็เป็นกระดาษเช็ดเนแล้วทียงเลยไม่ตะเกียบก็เป็นจินแล้วเทียงเลย หลวงตาประโยคกับอาจารย์ประสานเนี่ยาประานเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้เอาเอาซื่อถ้วยว่าจินนขา้าวจินแล้วล่างไว้ทิ้งไม่เป็นมันเขาอันนี้ฝ่ายมหายาณเขาเขาเจ๋งการทำงานทำการพิจุจดีเนี่ยไปอยู่ไต้หวันหลวงตาเคยไปหนี่ยหามาปูนขึ้นเขาเทปูนคอนขอีด ทำงานทำการเก่งมากเพราะนั้นเขาจึงสร้างาโบรมลพุทธโธออชันตาอารูลาอารูลาของควายานิกาย ช, ชีเปื่อยเขาแข่งขันกับพุทธเจ้าไปพุทธองค์เราเพราะนี้กับพระสูตรต่างๆเนี่ย <c oughs> เป็น สาจนาธรรมแน่นอนที่สุดศาสวาพิธีอันวีธทีหลังศาสนบุคคลคือพระสงค์พวกเราก็ถือเป็นรูปแบบเดิมเรี่ว่าฝ่ายเทระวาดแบบพระมหาวัคกัจปะพระมหากัคคัจปะให้นุง่งให้ห่มผ้าอย่างนี้ส่วนมหายานไม่ใช่แบบนี้ใส่กางเกงใช่ไหมใส่ เ, เสือ้อแขยนยาวเวลากินข้าวน่ยอาฉันข้าวดยกันก็หลงตาน ถ้าจะเอามือไปตักอะไรเนี่ยแขนเสื้อมันหย่อนลงไปใส่อาหารไปห่อนั้นอันก็ไม่ดีเขาต้องจับแขนเสื้อไว้ไปตักอาหารพวกเราไม่ต้องตัจับแขนเสื้อไว้ของเขาแขนเสื้อไว้เวลาเย็นก็ปล่อยไปลุ่มลําก็ดีมา ก, กันเพราะนั้นนี่ต่างกันในลักษณะแต่สาสนาธรําเหมือนกันหมดเลย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 ตัดลงไปเลยมันมีให้เราวางไม่ใช่ให้เรายึดสิ่งที่เกิดคึกับใจมีแต่วางวางอันเกิดกับกายกถาถานน็ถือไว้บ้างถือล่มไปทาวัดสวดมนต์ถือไปใายถือช้อนถือบาทถือจีวนจีบนบาทต้องวางในที่ไม่ตกมีพะนก วางในที่ไม่ตกไม่กิ้งวินายห้ามอย่างนั้นกีวอนก็อย่าปราศจากกีวนแม่คืนหนึ่งไม่ได้เวลาฉันอย่าให้มันหกอย่างพ่อกรมฟาสวดเราจะไม่ฉันเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่นสนุกสนานไม่ให้หกให้หลนเราจะไปไม่โปรยเมล็ดเข้าตกลงในที่บาดเตือนที่นั้ น, น, นเราจะไม่ฉันพางสบัดมือพาง เราจะไม่ฉันนั่งจับๆเราจะไม่ฉันดูจุดๆเราจะไม่ฉันเรียบลิ้นเราจะไม่ฉันหล่เลียนฟีบปากเราจะไม่ฉันทําเข้าวหอใหญ่นักเราฉันอยู่เราจะไม่พูดเราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ําอันนี้ต้องถือไว้กายต้งถือไวแต่ว่าใจถือไม่ได้นะเอาให้แน่นอนเราฉันเดี่ยววันหกวันเนี้ยจะห้ไปตั้งเว็บโบวใหม่ อาจียนข้าในมุ้งนะเป็นวันเยอะขอพูดนะขอพูดสักหน่อยน ะ, ะเวลาฉันเข้าตรงกลางมุงเพราะวันโมกเป็นทิ่งขยะของเมืองเหมือนจันทกองเหมืนอนภูเขามีหลวงตางหนึ่ง mm hmm. ก็หลวงตาองคนี้หลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาเทียน <c oughs> เอาเด็ดนะต่ง <c oughs> างฉนเข้าด้วยกันหลวงตางหนึ่งฉันเข้า จิ้มน้าเพิกลาดมาเลยจิ้มเทไงก็ลาดมาเลยต้องเอาผ้าปูตักไไหม่เพื่อไม่ให้น้าลาดกีบอนผ้าปูตักเป็น้าบไรด้ามแ้งแเป็นไปวเลยลาดมา้วหลังกุเทียนก็จับมือเอาอยางนี่ลองพ้อจับมือมาจิ้มหายขึ้นหายขึ้นเอาไปใช้ปากเนี่ยย้ายมันหก เอาใจพิษใจของเข้าชิ้มน้ำเพล็กหายงงอย่างนี่ขึ้นมาหล่องตอนนั้นพอฉันเข้าเจ็ดก็ดังร่องให้เราให้โอ้ยอะไรนเนาะหลวงพ่อโกรธหรือเปล่ า, นาเนาะหลวงพ่อเทียนพาทำยังไงสอนอย่างไรโกรธไหมเนาะเราก็ไปถามดูเป็นไงหลวงพอ่อเป็นยังไงให้โอ้ยเกิดมาก จนอาอยุหกเจ็ดสิบปีบอบีผู้สอนขักสอนแหนคือจังสีจิงเข้าว่ัวเป็น a, เฮียเหลี่ยล่าหลงบอเทียนละสอนโอ้ยดีใจรัะใช่ไหมนี่ตั้งแต่ประั้นมาจิ้งข้าเรากันไม่หกเลยเรียบร้อยนี่เราจะขนาบแล้วขนาบเด็กผู้ใดขี้โทษขี้โทษแล้วขี้โทษเด็กคือผู้นั้นขี้ขอมทรัพย์ให้เรา กินข้าก็ไม่หกเหมือนเก่าอ่านเนื้เบียร์วิธีใต้องถือให้ดีๆเรื่องอาการเรื่องใจหนาะวอ่านเรื่องหัวใจเรื่องใจต้องวางเนี่ยคือของของจริงแท้ๆธรรมวัตรแปลเนี่ยอาจารย์พุท ธ, ธาธิเป็นคนแรกในประเทศไทยแปลหนังสือออกมาให้ทำให้เราทำควัมรนะูน่ะมีสองลูปอาจารย์มหาชนิตปเปอเลนข้าวประโยค อาจารย์พุท ธ, ธะเปลี่ยนสามประโยคแปลกบาประม้อมกันหนังสือตรรบัตรสมมนาเดี๋ยวนี้อาจารย์มหาชนิตกรรมนะครับไปแล้วอาจารย์พุทธะกรรมนทครับไปแล้วไม่มีใครใช่ของอาจารย์มหาชนิตเลยมาใช้เลย น, นี้ทั่วประเทศเลยสู้ปเปลียนสามไม่ได้เลเพราะดีนะในนี่ก็ปัญญาในนักปราชญ์นั่งอย่างพุทธทาสั้ น, น อาจารย์เขาบอกเราหลวงตาเคยไปอยู่กับท่านไ ป, า ไ, ปาไปเจาะภูเขาว่าธรรมโอวงเกยรไ่เฉียดเลยไปดูทุกวันนี้ก็ยังจะไม่มีใครทำต่อสู้สู้พระใช่ไหมบ ร, รมามได้ทำไอจันต้าเนี่ยโอ้ยเอบะภูเขาด้วยกติสาราหลังขนาดนี้ก้าหลังสองชัติกองเนี่ยคิดว่าเคยไปไหม พ่อกรมไปไปไหมจะไปไหมจะพาไปวันที่ห้าปุกกะลา ห, ห้าสองกองกำลังไทยไปนะอาจันต้าปีที่แล้ว อ, อปีนี้ก็ไปนะอาจันต้าอเนี่ยร้อยมืออย่าไปชี้เหยียดสิกันเนี่ยฝนตกลมาพังพัง ว่าจะขอต้นไม้อาจารย์ตุองไปปลูกเขื่อนฝายน้าล้นถ้ามาฝายหวานสักเล็กน้อยเป็นจริยกรรมของพวกเราที่เนี่ก่อจะปลูกอาจารย์ต้องใจปลูกที่ไหนต้นไม้ดีดีที่เอามานะั้นเชื่อกันปลูกนะวันเข้าวันส๋าให้ได้คนละสิบต้นนะปลูกป่าให้เผ่นดินเืนหน้าไม้ปา่าคืนป่าให้เผ็นดิน ช่วยกันอาจารย์เติมอาตนไม้มาไว้แล้วดรานันเราก็มีจิตกรรมร่วมกันปฏิบัติร่วมกันปล่อยวางร่วมกันทำความดีช่วยกันเราก็มีสิ่งที่ทำได้นะมือก็ประนมมาได้ทำความดีมือก็ทางานทำการมาสร้างติก็ทำได้หาก็ยืนได้แขนก็ยืนได้แบกได้จับได้วางได้ยกได้อุ้ยมนุษย์สมบัติจริงๆนะ กายก็ดีใช้ได้ใจก็ดีใช้ด้ถ้าจะโกรธยังใช่ไม่ได้นะความโกรธใช่ไม่เลยไปฆ่าไปตีกันไม่ได้เอาระเบิดไปทาลายกันเอาปืนไปยิงกันเอาไม้ไปฟันกันไม่ถูกต้องต้องให้อาภัยใจให้อาภัยเหยื่อถือโทษกับกวางเหยื่อทวิยอดกันจะขัดเคืองกันสงสารพระพุทธเจ้าสงสารธรรมะม่ไหน จาทะเลาะว่ า, บบากันเว้นจากการทะเลบบาะว่ากันเว้นจากการอิจฉาเบียดเบียนกันอะไรก็ไม่ต้องเบียดเบียนในโลกแนะ่เม็ดดินเม็ดทรายต้นไม้มดมแมลงยาบียเบียนกันอยู่ด้วยกันอย่าทำอะไรที่เป็นการกระทบกระเทือนให้เป็นทุกข์ต่อตัวเองและคนอื่นช่วยกันเว้นความดีแล้วความดีเออให้ค้วยกันเว้นความชั่วทําความดีให้มากมันขาดแขนเดียนะ๋ยวนี้ วิธีทาความดีสุดยอดแล้วพวกเราทำไม่ไหนพระสูตรสติปัฏฐานาสูตรอ่ะพระ น, นุนจำปาไปเขียนลงไว้ในพระไตรปิฎกดีเหลือเกินเนี่ยเรามาด้บ่อนลุกของดีจริงๆนะในเรื่องของคนะําสอนน่นหนังสือส่วนมากนะ่หนังสือที่ร้อยกองขึ้นมาเป็นหนังสื อ, อศึกษา ปรเรียนมหาปรเรียนศึกษานักธรรมเช่นตีโตเอกเป็นของพระมหาสมณะเจา้ากรมพยาวชิระญาณวโรรสเป็นผู้ร้อยกองขึ้นมาแต่ความกระจายกันอยู่ในในตำราพระเตยปดพระมหาสมณะเจ้าเนี่ยเอามาเป็นสูตรการศึกษาเราเรียนของพระสงฆ์เป็นการต้นต้นสมัยต้นต้น นักทำตีก็ไม่มีนักทำโตก็ไม่มีนักทำเอกก็ม 2, 3, 5, ไม่มีเรียนสองเดียนสามเริยนเป็นห้าไม่มีความฝาสละเจ้าร้อยกองมามาทำเป็นหลักสูตรให้เรียนเป็นต้นตํำลาดต้นต้นของการร้อยกองกมาเป็นหลักสูตรให้เรียนเจนเรามีความรู้หลวงตามีความรู้ก็ได้เรียนถ้าไปค้นคว้านังสืบว่าใจไ ป, ปดกหาไม่เจอ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วมีในความเป่จจะกดเรื่องใดพราสูตรอันใดกดออกมาเป็นรูปบางให้เราอ่านได้เลยเจ้าจคนทำไปดกบรรจุใส่คอมพิวเตอร์ะสะดวกนะพระหมหาเจ้าเจ้าเป็นผู้ร้อยกองให้เป็นหนังสือเรียนตำราเรียนก็เลยเป็นของของมหมากุฏ ไม่ว่าในประเทศไทเรมก็มีสองนิกายมหานิกายกับยุตตนิกายยุตตนิกายเกิดทีหลังในราชสมัยรัชการที่สี่มหานิกายเกิดมาก่อนตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าน่นแะยุตตนิกายเกิดทีหลังเพราะสมเด็จพระมหาสมาเจ้านี่เป็นยุตตนิกายก็มีปัญญาสามารถคัดออกมาเป็นคำสอนเป็นนักสือเรียน ให้เป็นหมวดหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวด4ี่หมวดสองอย่างเราเรียนอยู่เดี๋ยสติความลึกถ้ามีภารละม่สองอย่างหนึ่งสติสความลึกๆสองจำเป็นจะควรรู้ตัวนี่มีสองข้อเป็นหมวดไป้ามันทําให้งามสองอย่างขันติความอดทนสุรจาวความเยียมบุคคลหาที่ยากสองอย่างคคาคคบบาอุพการีบุคคลผู้ทำ บ, บุพการะก่อนกตัญญูบุคคลผู้ตอบแทนตอบจะไม่ได้ สั้งางวามว่าเริ่มื่ออันนี้หมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดสิบนักธรรมตีตัวเองนักธรรมตีเลยว่าทำอิภาคปริเสธที่หนึ่งนักธรรมโทเลยว่าธรรมมาพะทำอิภาคปริเสธที่สองนักธรรมเอกเลยว่ า, าพพรธรรมวิจารณธรรมวิจารณชท้นสูงเรื่องมรรคผลนิพพานไปเลยแล้ว ต, ตากเกียนจบเพราะสูตรคนั้วออกมาจากพาระมหาจำราเจ้า จึงเป็นของมหามากุฏหมดเลยมหานิกายต้องไปซื้อหนังสือเดียนจากมหาวิจิมหาวิทยาลัยสองแห่งมหามกุิยอยู่ที่วัดประวณเวทวิหารเป็นยุตธนิกายมห า, าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นของมหานิกายอยู่ที่วัดมหาธาตุจุฬาลังสิตอันนี้ก็แต่ก็เป็นสาขาเป็นขยายเขตทั่วจังหวัดทั่วประเทศไทยการศึกษาสอง ของมหาวิทยาของสองไทยเวลานี้เพราะนั้นของมกดของมีหนังสือเยอะแยะล่ลํารวยค่ะเราไปซื้อหนังสือเรียนที่นั่นแต่นี้ก็จะเปลี่ยนหนังสือเรียนใหม่เข้าไม่ได้อย่างอาจารย์ทําไปดกเจ้าคุณทำปรโาากโยคจะไม่ต้องชื่อว่านวกวาตจะชื่อว่าทํานุนทํานุนของชีวิตแล้วก็ไม่ก็ยังไม่เป็นหลักสูตรได้ยังล่างไม่ได้เยอะการศึกษา อาจารย์มหาอาจารย์ประสานไปดูการศึกษาของพระมาเขาศึกษาไงสงไทยท่า น, นเข้มแข็งมากานี่ก็คือของพวกเราที่มรดกมรดกของธรรมะมีหนังสือตำรับตำรามีคําสอนแน่นอนจนมาถึงตวันนี้มีคําสอนจังเอามาสอนกันได้ผลอยู่วิปัญนากรรมฐานแต่ว่าวิปัญนาทุเลคันาธาทุเลก็มี เรียนกันสู ง, สงเป็นโดเตอร์ก็มีทํางานทําการได้พวกเราก็เรียนวิปัสนาทุระเป็นกรรมานและไปช่วยคนก็ได้เหมือนกันอาจจะไม่มีความรู้วิถีบัตรอะไรปัญญาอะไรแต่มีความรู้รเรื่องกายเรื่องใจเอามาทําดีเอามาแลกความชั่วได้ความรู้อะไรที่ไหนก็ตามต้องมาช่วยกันทําความดีต้องช่วยกันแลกความชั่ว ความดีเขาเรามีอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยความดีให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินการพูดอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทำความดีกายอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทำาดีมียิ่ง ใ, ใจก่ก็มีเมตตาที่คนรุ่นเหลือไม่มีขอบเขตรักแม้กระทั่งมเมถนเมตสายให้ปานนั้นนะโลกทักวันเนี่นมันร้อนเราจะมาช่วยกันช่วยกันอะไรที่มันดีก็ช่วยกัน เวลานี้วัดป่าสุโกโตห้องตาก็สบายสบายไม่ต้องทำอะไรนี่แต่เพื่อนดีๆ่าติชมดีๆมาช่วยกันปฏิบัติธรรมนี่วันนี้ครับอานวในฟังเนาะไม่ใช่เล่าธรรมะนะเนี่ยเป็นเรื่องประกอบกับการศึกษาเราให้มั่นใจเถอะพระสูตรที่เราทำอยู่นี้มาตั้งแต่โู้นสามปันปีแล้วไม่ใช่ของใหม่เลยของเ ก, เา ก, าก่าๆยุเบินช่างจะบอกพเจ้าก็บอกว่า การคู่ฉันเขามีสติการเหยียดฉันออกมีสตินี่เรามาเจตนาสร้างจิเนีมันทันเวลาวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งเอาไปนี่แหละเรียกว่าเสริมพลังเข้าไปเสริมพลังเสริมพลังงานเข้าไปทุนก็ระไรว่าการเป็นของอะไรของขนาดช่วยมาบอก เครื่องกระตุ้นแรงอะไรแบบนั้อสมควรจะละ